ฝนตกว่าเท่าไหร่บ่ฮะโอเคอืม้มาที่่าบ่อยให้นอวา่ากมใหง่ๆเยเใ่่บ่ย่บัด đây h ô n g đó t ố i ệ c lái người, cái thao quá cái Nói xa, nói Đó, nó trả nó t r lại b ê â y rồi các k ọ i n g ư i n n c á n g u ồ phải n g à y nữa l u n thực, y n g y cứ b เห็นแสดงแสงว่าเขาไม่เยอะเอว่าเด็กไม่ให้ข้าวจ้ะเหนี่ยหน้าจ้ะเพ่อการสืบสบวชเทาไหรไม่ไงไม่ได้บวชว้อเพื่อการสืบสวบวชเท่แไหรถนอเห็น คุณยิ้มยิมอยู่สิเดือดใจยังไรเลยถามใครไ่ได้แต่ว่าเยาวาบวะสมบูรนบขอห้ัววัวไม่หูว่ไม่หูเลยแต่ขางนึงหูมีขางโย เด้วก็บอกยงสู้ผมเพระมาหากันมีนจก่อนหนาเรือยอะเลยออแต่ร้านไสเจ๋อเดยวมันก็เรื่อยอย่เมือนเรือยอแต่ก่อน เห็นหน้าเดนหมบพีุ่มทีเเห็นได้เคีย่อนอ่ะมาเดนเห็นภาพวันนี้เห็นวัดลูกควยเห็นภาพว่าไม่ขาูิ เป็นความเหวาพราะเบลตาอันนี้คืออันที่แน่วโอ้กระดเลยตากระดเนี่ย เขาหาไปเรืยเลี้งสิ้นแฮะต่ อ, อบันต่อซ้อได้เจ๊ ก, ก้าบอกบวน่นอนสอนบ่ได้ผีได้ผีเรือไล่หนีไปบวชซะไงผข่านยึดสิมาโยา่วัดก็ไเราพอเรากรรมบานถังขยะยังบ่ดีจริง ม, มาวัดปัดมาวัด เจาเจ้าว <es> at ัดเ้นเหี้ยนเยี้ยวัดหมอแตเดืวัดขาดขาดพลาวัดผีข่านข่านวัดผีปอบหมอกวัดเลื่องเราด็กถึงเลื่องของวัดว่าเป็นีิตัระาลาดเบืชาติเป็นจิต เดีวของก็มาซ่าพ้นพ้นแล้วเมืองทั่วโลกคนทั้งหลายเขามาเขาก็มองวังวาทวังว่าวัพบงเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์บัวสมบูรณ์ดยคุณนั่งถเขาไ็ดูนิ่น่ถ้าตาเะนะนี่เดี๋ยวคนเข่าคนเสียก็ว่าจะสิไปหยิบใช นิ่งดีบนใดแล้วบนกาบนไหวเพศพระกองพี่ชุติพะจะถอยนิ่งข้อว่าจะเนี่ยสามโอกจยวาะไรเนี่ยใ้จอยจะใจส่แฟนสาธุหลุกทำสุกใส่จีรย่าหลวงนี่เดินฝันก็จเียเี่ยคือพระ เบิ้มก็ข้าขุเป็นใ้ย่านเื่อเศษเพือผีันเป็นขีขขายยานน้นั้นแหะกะจีวายสิเจ้าสิของก็วัด ก, ก, ก, กว็ว่ามันงจ้พอเนเราแล้วไออของดีมาไห้แต่จ้ของเราของเห็นขงหลุบของอสลาดชีวิยามารา ย, ยาททุกอย่างมันมา ง, งามหัว ง, ง, ง, งามตาเลยแคเชง ที่จะท่าเหลี่ยมไซดวันใดสองทีจหน้าเนี่ยเสนแ้วเหลียบเกล็นภูไใยเจ้าคนโบเป็นผู้กีร่าริบโบวาซีนใดคนเกียวพร้อมสมบูรณ์ดูน้อมศาสนามาเาศิมาขอมาไซดเป็นการฝากจะได้โบดีศิมาจิมให้ว่า มนคือผาวัดค้นวัดเห็นัว่า้นบเขาแล้วคือคูบาในวัดเห็นว่ากันชี้ขาดไม่เป็นที่เห็นดอกไม่คิดเลยพระพุทธเจ้าหลุดหลังกลางชัวก็ะบวนเสียงเสงามทอเด็กหลุดหลังของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาปริาลักษณะ เป็นมีลูดลัดแ่จพระองค์ปีินพันไปแล้วสองพันหาว่าครัวปีแจ่พระองค์อุบัิเกอดมากเลมันได้สองพันากว่าปีนะไอ้ตัวแปดปีก็อยู่ชิดเอฟปีก้เงลราแต่ยังนีผูอไดเกิดกุลี ในโลกมนุษเท่าที่นีลักษณะเป็นมหาปุริศาลักษณะที่พระองค์จะโผล่ง่ามงามหลายลักษณะถ่าท่างเกิดถึงเสียงและสั่กจะดังไฟละเหมือนมกกาลเวเสงวิเสียงอันใดขึ้นทางกัางว่านทางไฟละ ลูกก็สวยเสียงก็มวลจิริยามลาญาตกองงามเป็นรกษตรเด็ทุกสอบ ม, มาทุกอยา่างทนน้ำข้นให้ยอมใช้ได้ทุกท่างทางลูกทางเสียงทางจิริยาเมลายาตทางถ้ำไปจำใจ บเมนคนเจกะลล่านมเมนคนบออนทามโมเมนต์ชาวโลกบ่ต้องการนี่ย e ึดสถานที่ใดใทยกับสองการทั้งนั้นคิดบ้งอกจะเนบวแล้วคนผมหัวโลดแล้วก็ยังามอยุจน้ามาคันจุญญาพอขอ แม่ท้องคนเป็ น, นลูกเกิดคือแม่ลูกคือหญิงง่ามหลาย อ, ยานอยานีน่าอันนี้เป็นรัตนาน่ารีเป็นหน้ารีแก้วเป็นคนง่ามหลายพอแม่เดือดนะคื อ, คอใส่ในประเทศอัน น, นั้นโบี่เป็นสิงเง้มนแจ้ลูกของตัวแม่จะ่พระราาก็บวายง้อมยกให้เพราะว่าขู่ขวนก็อยู่ทองตัวลูกง่ามหลาย พอไปเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นคิดอยากได้ว่สมกันกับลูกสาวของสูขที่มอบลูกสาวให้เขาหลุดลักษณะทุกอย่างของพระพุทธเจ้าง่ามง่ามขนาดนั้นขนาดคนั่วไปต่อกานคนจีนี่เศรษฐีเป็นเงาคนจีนี่ยิ่เหลือกันหาคนจีนี่คนอยาก คิดเมืองภาวรกะลีเขาไปบวชว่มันไปบวชเพื่ออยากศึกษาพระพปฏิบัติธรรมอยากไปบวชได้เบืองคนอยู่ใกล้คนขันเป็นฆราวาสแ่ว่าได้อยู่ใกล้คนนันๆแล้สีเห็นฤทธิเห็นแล้วกับเมล็เขัวใกล้ขันก็บวชขึ้นอจะได้เฝ้าดูอยู่ตลอดไวล่าอยู่ใต้ถิ่แห่งยังหักทนดัวแต่เจ ผู้ยิ่งสัดอลกนี่เรียกพระศาสนาโมเคนต์เส้าสาราโมกมอบวช น, นอกจากนผ่นพระสาวกกละา ย, ายทันไรโอผีนี้ความรู้นี้หลุมล่างมีสมบัติออกจากตระกูลพระราชาออกจากจากตระกูลมหาอามตาเจรษีกลุ่มพี่นี่จะตระกูลดีๆนี่จะเจ้าคน สมบูรณเดชทรย์สมบูรณเดชคุณาธรรมสมบสาามูรณเดชรูปร่างกายสมบูมณ์เดชสิีปัญญาว่าเป็นคนตัวสา้นล่างมกขมวดติตเึ่งยังภาเกจยนะเดชธรรมหาคัสสะปะโมกขล่าสาริบุตรประวัติุกเพนโมเลตคนตัว คนเสียอันใดนี่เขาวของเงินท่องพามบุญนี่รูปร่างลักษณะสังงานงดงามนี่จะรีจปัญญาสามาจิตเจเลื่องขอบขของงงอขอรั่วและทาความเจริญให้แกะะาเทศขาจแกโลกได้ว่ามัมคนคน จิตเศร้าโศมต้องการผมว่าบวชหาเอาต่งแจ้งของดีของวิเศษคุณว่าบวชทางัวาของคนกะดีอยู่แล้วมีเฮ้าอย่างบวมีก็เอาคุณว่าบวชตาบวมีก็เอาคุณว่าบวชแขนขาบวมสมบูรณ์ก็เอาคุณว่าบวช ยังเอดดาวเดดาว่มไส่ก <X> ็คือเป็มตาหนาหย่อสแล้วเขบวดีนียุดบนเขาก็บต่องการหินให้กราบเวายมาสรักษาศาสนาของละเอียดออนรักษาอยากแล้วจิตซักจูคนให้เกิดรัทธาความหย่อนไสเต็มใจอยู่ตังกบวดีสิริยาเมละอยากกบวนี้ ทำมาทำโม่ได้ทัวกับ่เป็นไปไปแค่สีอะไรที่งดูปูกข้นกับชาส้นเหลื่อมใสคัดข้าคือการกับหมักใหม่ดอกไหม่นี่กับววสวยวังามให้กิ้นกับมันเนาบเม็นสัตวจะสวยเหยื่ไปปลูกไปไหวนะะไปปลูกไก่บานไก่เฮียนไสกนจ้น ดอกมันก็บางงามตาคือกินมันกันในเงินดังถกมันเหม็นไปเห็นย่ไสเ้าอยากทำได้บออยากเอาไว้อนบอกนิดบอดีหถึงดอกบงามกินมันดีเขาเคยมีงูออกกินมันเนว่าบ่มีกินเชิญบงเหม็นบกเน่าแต่ดอกบองงามเขาถูก้าว ด, นนดึงผูกข้อมั่นคนว่าเป็นสัจนโกของเห่านี่ศาสนาของพระพุทธเจ้ามันพรอมีื็นน้ำศาสนามาะทั้งลูกทั้งเสียงทั้งมเลยยะทั้งอัดท่อมนี่ไปจาพระจพุทธเจ้ามีวิเศษย่างนผู้ประกาศศาสานาดนงตนออกจาาสาวกกระบนู ไหลค่าไหลละค่าเป็นผู้ติยึที่ดีนี่เศรษฐีปัญญามีสมบัติพัฒสถานบ่อนบวชเขามาแต่แรงหาสมบัติภายนอกคนราะมี่มาแล้วเพราะเุนมาแล้วสมบัติเกินหนึ่งคนเบี้ยนายมาแล้วความสุกความสบายจากสมบัติก็เด็กประสบมาแล้วจะสุขความสบายในถาำเป็นย่างไดสีบ่า เรื่อตมบุกโกโลคนจางางหนาต่างสาบผู้ิบัติัรักษากายใจทองคนจะจงการอัดถ้มันบกคือคนสมัยนี้ถี่ม่าบวชหูวมี่ตาวมี่เอาขม่าบวชทุกอย่างลาบากห้ากินบกลุ่มปากกุ่้องไรขม่าบวชเป็นนักเลงอยู่บ้านอยู่องบ่ได้ไรเข้า ขี can, m m m đây, ination, ่้าบ่ทการทํางานไรผมมันเลยพราะวันังขยะนี่แตจะข้องเงาคงหม่นฮะของดีนี่าบว่าได้ไอะบวอย่าเข้าใกล้แล้วผมมันหม่นไหมเวไน้เนหลเ้ายึดเอาดีเม่ก่ตองฮะของดี ถ้ามารักษาคนดีจะสิรักษาคองดีได้ค น, คนด่าคนใบเสียมารักษาของดีนันรักษาไม่ได้หร้กทำไงศาสนาเสียหายปันส่วนถทำไงคนดูหมิน่นมิ่นท่าต่างสฉะต่างภลาษาต่างศาสนาไมาเห็นเนื้นอหนุ่ศีลศาสนาสุด ว, วัาาดของพุทธศาสนาโสตุดมิ น, นาาินท่าพหะเงหลีบ่ได้บวชมาแทบยี้สิปหาสังขาก็คือปฏิบัติถ้ามีนัยแต่ผมไปไม่ได้รืออ่ะนี่เ็นแหาวัดถุภายนอกหาเงนินห้าท่อง ห, าองหาอง้ า, ข, าข่าห้าข้งขายก่อนขายหมีขายหลอกขาเยเย้นไป่เช่นนวโท่สุดเฮ้อผีเลีย น, น มาแลนหลังควบยันได้วัตถุภายนอกมันมาเคลื่อนหนมันบาพ่อในคิดในใจขยัได้ยงสัตมหางสิ่งบ่าิดทมี้าอย่างจีพระพุทธเจ้าบุด้กกาสนอยนย่อยงอันนี้ไม่เกิดนี่ขึ้นพระพุทธองค์ก็หนีในท่านสาวบคนอบัต ว่าเป็นธรรมดาแต่บเพาะบองเงินบองท่อเกิดขึ้นในวัดได้ว่ามีผิวข้นหอบ้นหอบท่าเมื่อใใหยายลอกใจเหเกิดเทชวนเห่รุ่มให้ลงในเชื่อมอบัดเป็นูไทเจ้าใครนี้ได้ในท่านสาวาเป็นอบัดปวีว่าเป็นมนจิเป็นอันจะไล่ใจใจหนีเฮายัง พอทำมีไงห่หางไปันได้ก็ยังไฟยังฝุนงไปอยู่ยักษิเอาวันไดมาดิบมาดีๆโลกอันคิดแล้วนะสรดตั้งนี้บวมน ม, นม า, จากจเกาะมาอาศัยทีม่มาทำาร่ฟอมมาทำไร่สาธ น, นะ ไม่หยียบจำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระญาสงสมัยนี่มันเป็นทั้งน้องเงินคนเงมันบ่คือสมัยพุทธกาลมันบ่คือวันไหนมันบ่คือวันบ่ตั้งใจเพชรท่ำบูกือปฏิบัติหรส่วนหก ห่างกลาตัวมันก็คือกันหะขาดกันอันเดียวกันใจมันบาทานหน่อเดี๋ยวคิดวันใดวันใดแล้วคงยึดความดีในหน้าเพิ่งเรื่องเรานีตันนาจลดใจ กูนำผ้าการไปการมากกันอยู่การอาศัยถึงลำบากอยากเย็นพราองค์กบริเวณร้อนยินว่าค่อยใจสบายค่หใจเป็นสุขคอยสนุกด้กันภาวนาวันนี้อันไหนางรบวนเย็นเหรอยู่ พ่อผัวทางชีวิตลง h o m พ่อผัวทางชีวิตอยู่ไปพ่อได้อาศัยทางความเที่ยงบางคนอยู่แบบรูล้ลว่านนงคนลง home แบบ ง, า ง, างา่ามหูง่ามตาขาดแท้ยังบางคนใส่ตาเป็นขันถึงเลยผ่าพิมไงนะดีกว่านายใดที่เดียวมกงให้ตาเพราะป้องกันชนผู้ล่า เป็นผาตัดเป็นคันซึงิ่นเป็นอันยาหนุเท้บชตวองการเั็นด้วแห้ตัดเพราะว่าผ่าตบมุ้งว่าผ่าทั้งข่าจีวอนน้องนั่นใหาเชฟเอาผ่าเขาชิมผ่าไฝ่ใหม่ผาหนูกัดผ่าเศษ่าเหลือน้ขยางมุ่นสอยผ่าพันธีตายเล่ปลายข้า มาเป็นผาลงผาโฮมจวลาผาบางสกิทนี่เพิ่มว่าเลมือเรื่องวัตถุมือลานคิดดานใจวันดูวันอาศัยนี่นึกลมใหม่ใต้เข้าบ่อยมือง่ใยไปสูงเอียงคือคว่ตัดกังวลของคิดของใจ มี่งไค้จิตไปในทางโลกทางสงสารรวยแก่จิดแกใจแก่พระละภายในออกอันนี้จะพระละภายในจิตใจหน้าธรรมะธรรมโมโดนโยกรมภาวนาอย่างดีเด็ดตัณหาอย่างพวกพุทธเจ้านำศาตนาหรือชาวโลกนำศาตนาน้ำมาอย่างนั้น กูหวดกันนีคว่ำต่างมันไหมจิตในใจนี่ทีนี่สามารถทีนี่ปัญญาจนเกิดดีชาดีมุกเป็นหนากาบหนาไหว่เป็นหนาทศระะบูชาเป็นเหนือหน้าบุญของเจ้าโลกย่างดีอุทามบนพื้นทั้งให้มิดมิดหนหน่อยก็ได้ผลร้ายด้วยเหมือนยัง พระบันกัรก็เห็นหน้าตีนเห็นวัดธงฮะกูเห็นต่อไปกับโมี่าสาฝนบดีบอนุยไห้ผ้แจ็คผสงคู่โี้หินในถ้าถึงเป็นผ้แจ็คผสองู่กตามแล้วแต่หินถ้มมี่อเนี่ยหงพอบันกัรก็เห็นหน้ามันแล้วโมีนัํามันก็บ้องหงอกบ้องงามไห้ หนาคนยัก้กาวไหยโมเมนอยกหนาขาซือเลี้ยงดอกบางกูบางคนเห็นเจ้าน่ายังอยากให้ทา่า น, นเห็นโเนหน็นเจ้าน่าคือ่อยากให้ท่านเหนให้ท่านเสมอผ่าไปหนึ่ยังถือเป็นเงินเงนกูน่สีหลายเห็นว่าข้อบเบ่าข้อควนฟัว ตัวประพฤติบ่ ด, บอดีอยากให้เขาิม่มม่่อ่่่่งง่่่่่่่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อันดีเสม่่่่่ออ่่น่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่ ว่าจากของคะพไตรเจ้าแขกคุณโมไดวังสั่นวิจัยยาท่านั่งถ้าลับังยาสาขึ้นนั่งมหาพลังเห็นว่ามีใดมีผลมากพึ่งให้ท่านในที่นั่นพึ่เลือกให้ในที่นั่นคุณโมเดว่าให้ไปโหลดเด้อหัวหนุ่มเลี้ยง่ายเลื้งเลีงมันสิประพฤติอย่างไรยาเมน์มันให้เสร็จแก็ได้เหมือนอะไรฝงทอกันคุณโมไดวังสั่นเนี้ ข้าศิษของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกจากปากของพระองค์เป็นเบาเป็นสั้นไอ้เกือบเส้น so ที่นี่ทจ้าน่าการทำบุญตุนท่านการทำในสถานที่ดีในสถานที่ถูกได้ผลมากมหัพพลังเหมือนกันกรับเฮ้วางโศก้าลงในเนือหน้าอันดี ยอย่ามีผลมาหากว่าเป็นแผ่นดินเนี่ยวานไปเลยบนนันเลสจปลูกไปฟังไปเมื่อใดใครคิดที่จะหน้าไปถูกบนมันดินบ่ดีบ่างามให้มันจะหด บ, บ่เด้กก้อเด็กเกี้ยวสับเพอดินมันบ่มีหน้อมมีปุ๋ยอันใดงอกขึ้นมาแล้วก็กตายไปหรือมันยั่งอยู่มันก็บ่ถอกให้ ว่าจนร่ามันว่าต้มบูเมอว่าเหตุดอันใดมันจะหายเลือกเอาหัวเอาเนี่ยก็ต้งเรียกว่าเม่อไหรเอาตะพืดตตะพือไปเราจะเพืทใาก็ ส, กสิเอาไปก็บว่าม่อเป็นท่ำนอง น, นั่นเห็มันสิเจียดสีข่ามันบาอาทานอันใดว่เพราะสิเฮ้ยความทุกบะบัดทูกได้ แายเจ๊เอ้ามาให้ยังเหลืยเอามาหลังกรบ้ได้ยัเลยเล่าอีย่งหน่ี่แต่เจ้มาซอยกินซอยสีเท่านั้นการงานอะไรแกอยบัวได้เอาท้านองนั่นแหอบถูกมาทับเมใจเข้มสุเด็กหน่งก็จะเลือกกันวัวเอาผัววัวเอาเมีย คู่ยิ jaar jaar ่กันเลือกหาคู่ที่สร้างคู่สืบบำรุงสุขมามัดทุกแก่ตัวได้เห็นไรเพาะสิเป็นคู่ของกันให้ความทุกแก่กันได้จังเอาเงินเอาไปแบบบ่ดีิยืนถ่ายไข่ขว้วหันผู้เอาแบบนั้นมันก็คือเห็นเหระ นั่บํารุงบัสบายหเอากันไหนตัวหยียดง่ายมากกาแตกล่างกันไปพอวันบอดี้เจหน้าภายหน้า่นอนนอกจากนั้นการกินเทาก็บยเลือกอีกถึงมันสาเร็จมาด้ถ้วยด้จานหลือไม่เัน งมเข่างมเข่าอดดูกลั่งแต่ว่าออกว่าแมนนี่ยอไรมันเป็นผิดเป็นผิดอะไรมันบอเป็นคุ้มเป็นประโยชน์เขาก็เลือกออกบอกว่าประเภทเนื้อประเภทปลาบอว่าประเภทพักประเภทผลไม่เนีไ่ไรมันบอเป็นผล เ, เป็นประโยชน์ก็เลือกออก ยินได้แลวมาาันเป็นผลเป็นประโยชน์บาดเนี่อเพาะหาาเาก็เลอกไม่มเนต์หม่ยงที่อาวุธโหลดใหม่แมนบ่ดีบ่คงทนมาปลูขึ้นฟังขึน้นตั้กระหากระพัหงห้วัดเลี้ยวบมมันคงท้าวอนไห้ยังเลยเลือก มันเสียเอาเปียนเอากับพี่มันมาทำกัสิทำท้าว่อนทำแต่มัมนจ่ายงามันงา่ายถึงเลือกหม่ทุกอางมันเลือกเท่านั้นมันมันเลือกมันจังใดดีขันบันเลือกเอาโอรดมับนบนันใดดีข้างบน กุ้งตัวนิ่วเขาก็ยังเลี้ยงบางคนกินก ม, มูกิีหมางาไมมใบหยาคิดยิงคิดผ่าจิดแห้มาเอามาแก่งเดือดแค่กินบ่าได้ตายเลือกทุกอย่างมีภายอกภายในทํทำบุญทุ้นท่นทานจะเลือก ภูภายในเข้าไปกว่นั้นนางภาวนาจิโยนาภายหน่ายอารมณ์คงใจเข้าก็เรียกอีกจึงไดลที่มันเป็นถทษเป็นไพ่เขาก็ละเว้นหยีเรี่ยงมันหนูหามกันคิบว่าให้ิดให้ฟุ้นให้เจ้ยวให้ขอกมันก็จริงที่เป็นไปถึงความดี